จเจริญพรทุกท่านภาวนาขั้นแรกนะให้จิตใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวกันใจเราล่องลอยหนีไปเราก็ปฏิบัติไม่ได้ข้างหลังมีป้ายอริยะธรรมอริยะธรรมเรื่องสําคัญอริยธรรมแปลว่าธรรมะที่ทําให้คนธรมธรมดาธรรมดากลายเป็นพระอริยะ หรือเป็นธรรมะที่พระอริยะรู้แจ้งอย่างพวกเราส่วนใหญ่เป็นปุถุชนนี่เราจะไม่รู้จากธรรมะของพระอริยะอาศัยพระพุทธเจ้าท่านชีน้นำทางไว้ให้เราก็ค่อยศึกษานะค่อยค่อยศึกษาค่อยค่อยปฏิบัติไปวันหนึ่งเราก็จะรู้ ว่าอาริยธรรมจริงๆเป็นยังไงมันเรื่องอัศ จ, จรรย์ถ้าเราเข้าใจอริยธรรมนั้นใจเราถอดถอนออกจากความทุกขนะ์าการที่เราจะยกระดับใจของเราขึ้นไปสู่ความเป็นอริยช น, นไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมาอย่างพวกเราจะทําได้ ถ้ธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนะี่มันธรรมะสำหรับคนธรรมดานี่เองคนปานกลางไม่ใช่ว่าต้องอาชริยะเป็นเลิศหรือว่าต้องบุญบา ร, รมีมากเป็นระดับเทวดาเป็นพรอมอะไรพุทธเจ้าไม่ได้ไปตรัสรู้ในเทพลโลกในพรหมโลกตรัสรู้ในโลกของมนุษย์นี่งั้นธรรมะที่ท่านถ่ายทอดออกมาเป็นธรรมะที่พอดีพอดีที่คนปานกลางจะทําได้ คนแย่ไปเลยนะบ้าใบาบอดหน่วงมาแต่กําเนิดอะไรก็เรียนธรรมะไม่ได้เรียกเป็นบุคคลอาพัพนะอย่างพวกเราดูหน้าตาแล้วคงไม่ได้บ้าใบาบอดหนวกนะฉนั้นยังไม่ได้ถือว่าเป็นบุคคลอาภัพสามารถเรียนธรรมะได้คนในโลกมีตั้งเยอะแยะคนที่สนใจธรรมะมีนิดเดียวอย่างคนที่มาเที่ยวศูนย์การค้าแต่ละแห่งนะี่เยอะกว่าคนในห้องนี้เอง คนที่สนใจธรรมะมีไม่มากคนที่เป็นคนสมบูรณ์นะก็มีอยู่จํานวนหนึ่งคนในคนที่สมบูรณ์แล้วนะที่สนใจธรร ม, มะมีน้อยลงมาอีกที่สนใจธรร ม, มะแล้วมีโอกาสได้ฟังธรร ม, มะแท้ๆนะยิ่งน้อยหนักขึ้นอีกเนะง น, นพวกเราวันนี้มีโอกาสได้ฟังเรื่องอริยธรรมนะถือว่าเราเป็นคนที่มีบุญมากเราเป็นคนส่วนน้อยจริงๆเทียบกับคนส่วนใหญ่ ที่เขาเป็นชาวพุทธชาวพุทธที่เป็นแต่เปลือกไม่เคยรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนี่ในบรรดาคนซึ่งได้ฟังทำแท้ๆแล้วเนี่ยมีอีกส่วนเดียวที่ลงมือปฏิบัติในบรรดาคนที่ลงมือปฏิบัตินะถ้าทําสมควรแก่ทำรู้วิธีปฏิบัติ้ปฏิบัติสมควรแก่ทำจะได้ธรรมะจะได้เข้าใจธรรมะเข้าถึงอริยธรรม เปลี่ยนภูมิของเราจากปุถุชนขึ้นไปสู่โลกุตระภูมิเป็นเข้าสู่โลกุตระภูมิเป็นพระริยาบุคคลมันดียังไง mm hmm. ดีตรงมันไม่ทุกขนะ์ความทุกข์เหลือแต่ทางร่างกายนะทางใจมันไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนได้เลยจิตใจสะอาดหมดจดนะสบายไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาด้วยซ้ำไปงันธรรมะของพระพุทธเจ้านะ เป็นงานที่เมื่อเราลงมือทำแล้วนะมีจุดที่สิ้นสุดมีวันที่งานเสร็จนะที่ท่านเรียกว่าจบกิจจบกิตเคยได้ยินไหมนะวันหนึ่งเราต้องจบกิจให้ได้นะถึงจะจบชีวิตก่อนก็ไม่เป็นไรนะจบชีวิตแล้วเรามีกิเลสเดี๋ยวเราก็เกิดอีกเราก็ตั้งใจวห้เราต้องมาปฏิบัติต่ตอให้ไดนะ้สิ่งที่เรียกว่าอริยธรรมอริยธรรมนะก็คือตัวอริยสนะัจจนั่นเอง อริยสัจนะผู้ใดรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจห้พ้นจากทุกทั้งปวงพ้นจากกวนเวียนว่ายตายเกิดนะเข้าถึงบรมสุขคืคอนิพพานนิพพานมีอยู่จริงๆนิพพานไม่ใช่โลกอุดมกติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆ เ, นะเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งมีลักษณะคือสงบสันติ สงบจากอะไรบ้างสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากความอยากสงบจากธาตุขันจากกายจากใจเรียกว่าสงบจากทุกขั่นนิพพานนี่มีสันติที่แท้จริงเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงนิพพานมีอยู่แล้วต่อหน้าต่อตาเรานี่เองไม่เคยหายไปไหนเลย นิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นสดส ด, สดร้อนร้อนนิพพานเป็นธรรมะที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ใจของเรานีแหละไม่มีคุณภาพพอที่ใจะฝ่เห็นพระนิพานนพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งแตใจเรามีแต่ความปรุงแต่งปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงว่างว่างบ้างปรุงดีก็ไม่เห็นพระนิพพานปรุงชั่วก็ไม่เห็นนิพพานปรุงความว่างว่างก็ไม่เห็นนิพพาน น, นิพานเป็นสภาวะที่พ้นความปรุงแตง่งนิพานเป็นสภาวะที่พ้นความอยากใจของเราเต็มไปด้วยความอยากวันหนึ่งวันหนึ่งในความอยากเกิดมากมายมหาศาลเดี๋ยวก็อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินทางใจนะเวลาความอยากเกิดใจก็ดิ้นรนปรุงแต่งไปนะ ก็ไกลพันิพาณไม่เห็นพันิพาณซึ่งมีอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เองเราไม่เห็นเองแล้วบางคนก็เที่ยวดิ้นรนค้นคว้าแสวงหาพันิพาณวิ่งไปวัดโน้นวิ่งไปวัดนี้นิพาณไม่ได้อยู่ที่วัดไหนนิพาณอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เองทำอย่างไรใจเราจะพ้นความปรุงแต่งใจทำอย่างไรใจจะพ้นความอยากไปได้ถ้าใจพ้นความปรุงแต่งเมื่อไหร่ใจพ้นความอยากได้เมื่อไหร่นะก็จะเห็นพันิพา เป็มบริบูรณอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองงั้นเราไม่ต้องไปหามรรคผลนผิพพานที่อื่นไม่ต้องไปหาอริยธรรมที่อื่นนะอริยธรรมสูงสุดเลยก็คือตัวนิโรธคือนิพพานนี่เองมีอยู่แล้วสิ่งที่กั้นเราไว้จากนิโรธจากนิพพานคือตัวสมูทัยตัวความอยากมีความอยากมีความดิ้นรนมีความอยากหิวโหวยร่างกายหิววันหนึ่งสองครั้ง ในจิตใจใจนะหิววันหนึ่งนับร้อยนับพันครั้งนับหมื่นครั้งนะหิวตลอดเวลาทําไงใจจะเลิกหิวเลิกมีความอยากนะอริยธรรมข้อนหนึ่งก็คือตัวสมุทยัยตัวความอยากต้องละให้ได้ส่วนนิโรธคือพันิพานไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นนะต้องเข้าไปแจ้งให้ได้ให้ไปจักให้ได้นิพานมีอยู่แล้วไม่ต้องทําให้เกิดขึ้นหน้าที่เราก็คือเข้าไปเห็นพันิพาณเท่านั้น อริยธรรมที่เรียกอริยสัจมีทุกข์ใช่ไหมมีสมุทยัยมีนิโรดมีมักตัวนิพพานคือตัวนิโรดหน้าที่ต่อนิโรดคือการเข้าไปเห็นเราจะเห็นได้นะั้นถ้าเมื่อเราละสมุทัยได้นนหน้าที่ต่อสมุทยัยต่อความอยากนะคือละการที่จะละสมุทยัยละความอยากไดนะ้ความอัศจรรย์ในธรรมะของพระพุทธเจ้า อัศจรรย์จริงๆวิธีที่จะละสมุทัยนะในศาสนาอื่นนะมีเหมือนกันนะที่สอนว่าตัณหาเนี่ยทำให้เกิดทุกข์ต้องสิ้นตัณหานะถึงจะพ้นทุกข์ในคำสอนของพวกนี้คลนนะมีแต่ว่าวิธีการวิธีการเนี่ยไม่เหมือนกันวิธีการที่จะพ้นจากความอยากนะแตกต่างกันไปตามสติตามปัญญาคนทั่วๆไปมีวิธีการละความอยากไหม พวกเรามีไหมวิธีลักความอยากมี pulley. คือการสนองความอยากใช่ไหมสนองแล้วหายไหมหายอยากไหมเดี๋ยวมันไปอ ย, อ, ยอยากอย่างอื่นต่อแต่ไออยากตัวนี้หายอยากจะจีบสาวสักคนนะไปจีบเขาพนอะได้อย่างที่ต้องการใช่หมหมดอยากที่จีบยายคนนี้แล้วอยากจีบคนอื่นต่ออีกแล้ว อ, อยากไปเที่ยวที่นี่พอไปได้ไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวที่อื่นต่อ แตถามว่าความอยากอันนั้นหายไหมหายหายด้วยการสนองความอยากนะการลาสมูไทรคือลาความอยากนะั้นด้วยการสนองความอยากเนะี่ยไม่ใช่ทางของพระดิยะมันเป็นทางของสัตว์โลกธรรมดาธรรมดาสัตว์เดรัจฉานก็ทําอย่างนั้นอย่างหมาอย่างแมวสมมุติอย่างแมวมันหิวขึ้นมาไม่มีใครเลี้ยงมก็เที่ยวไปจับนกกินอยากฆ่าสัตว์อยากกินคนอื่น พอได้กินแล้วสบายใจหมดอยากแล้วลงไปนอนเนี่ยสนองความอยากแบบสัตว์มีความต้องการทางเพศก็ไปร่วมเพศอะไรนี้สนองความอยากหายอยากอยากกินไปกินแล้วหาอยากอยากนอนไปนอนหายอยากอีกแต่ไม่นานความอยากก็กลับมาอีกเพราะงั้นการสนองความอยากเนี่ยไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่เด็ดขาดทารวจ แต่มันเป็นวิธีที่สัตว์ทั้งหลายรู้จักแล้วทำอยู่แล้วบางคนก็พัฒนาขึ้นไปไว้สนองความอยากไปเรื่อยๆนะมันไม่สามารถละความอยากได้ถาวรได้ชั่วคราวเองนะทำไงจะละความอยากได้อย่างถาวรบางนักปราบบางคนเลยสอนให้ข่มความอยากอย่างคนทั่วไปในโลกเนี่ยตามใจความอยากมีความอยากเกิดขึ้นแล้วตามใจแล้วหายอยาก พวกนักปราดบางพวกอย่างพวกนี้โคลนพวกอะไรเงี้ยอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุกอยากสบายก็นอนมันบนหนามบนตะปูไปเลยนะทรมานมันแกล้งมันทุกสิ่งทุกอย่างทรมานในร่างกายทรมานในจิตใจตัวเองกล่าวว่าไม่ตามใจมันมีความอยากเกิดขึ้นก็ไม่ตามใจมันในที่สุดก็รู้สึกกลเก่งกูเก่งนะชนะความอยากได้อยากกินก็อดข้าวไปเลย ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอดข้าวท่านเคยเล่าให้ฟังอดข้าวเนี่ยจะหิวอยู่สี่วันท่านว่าอางั้นหลวงพ่อไม่เคยอดหรอกเราทําบุญมาดีไม่เคยอดเลยบอกหิวอยู่สี่วันนะเกินจากนั้นร่างกายมันไม่หิวแล้วอยู่ไปเรื่อยๆนะอยู่ได้เป็นเดือนไม่หิวอะแต่โทรมไปเรื่อยๆคือทรมานไม่ไม่ตอบสนองความอยากนะข่มความอยากเอาไว้ได้เหมือนกัน ด้วยการบังคับกายบังคับใจเนี่ยเป็นวิธีการแบบหนึ่งนะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทดสอบแล้วว่ามันไม่ได้ผลจริงทั้งสองวิธีนี้พระพุทธเจ้าทดสอบมาแล้วนะวิธีตามใจกิเลสกับวิธีทรมานกายทรมานใจท่านเป็นเจ้าชายเกิดมาเป็นเจ้าชายมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการใจกับไม่เต็มไม่อิ่ม สนองความอยากอยากสนองไปได้เดี๋ยวเขอยากอย่างอื่นวิธีแก้ความอยากนะด้วยการสนองความอยากนะเรียกว่ากามาสุ ข, ขาลิการุโยคตามใจกิเลสไปเรื่อยๆวิธีที่จะสู้กับความอยากโดยข่มใจข่มกายข่มใจนะเป็นการทรมานกายทรมานใจตัวเองเรียกอัตตะกิลมัฐานุโยคสองวิธีนี้พระพุทธเจ้าพบว่าไม่ใช่ทางที่ถูกต้องท่านทดลองมาด้วยตัวเอง ท่านค้นพบวิธีละความอยากอันที่สามนะคือการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญานะเกิดปัญญาในเรื่องอะไรในเรื่องของทุกนะในเรื่องของกายของใจเรานี่ยคืออริยสัจอีกข้อหนึ่งพวกเราจะได้ยินทุกสมุทยัยนิโรธมรรคหลวงพ่อพูดถอยหลังมาจากนิโรธมาที่สมุทยัยมาที่ตัวทุกวิธีที่จะละความอยากเนะี นะถ้าเราดูให้ดีนะความอยากนานาชนิดนะมันคืออะไรบ้างถ้าย่อลงมานะความอยากทั้งหลายแหล่ที่มีเป็นพันเป็นหมื่นชนิดนอะไรเนี้ยย่อลงมาแล้วมันก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็เท่านั้นเองมันะย่อลงมาแล้วมันลงมาที่กายที่ใจนมันรักที่กายที่ใจเนียมันรักมันหวงแหนอยู่ที่กายที่ใจนี้เป็นพื้นฐานเลย รักใคร่หวงแหนในกายในใจเห็นว่ากายใจนี้เป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราของเรามีความรักมีความหวงแหนมากก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นจากทุกข์ความอยากมันก็เกิดขึ้นอย่างอยากเงินเดือนเยอะๆอยากมีความสุขใช่ไหมแต่คิดว่ า, ามีเงินเยอะแล้วมีความสุขบางคนก็ยอยากมีตำแหน่งใหญ่ๆนะอยากมีตำแหน่งใหญ่ๆเพราะอะไรคิดว่ามีตาแหน่งใหญ่ๆแล้วจะมีความสุข อยากมีลูกมีเมียมีครอบครัวบงังวัดจะทําไปเพื่ออะไรเพื่อจะมีความสุขอย่างบางคนอยู่คนเดียวร้องเหงามีความทุกข์มันคิดว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขงั้นได้ความอยากของเรานาน า, นาชนิดนะย่อลงมาแล้วมันมีกายมีใจของเราเป็นศูนย์กลางนี่เองมันรักตัวเองรักกายรักใจมันเห็นว่ากายกับใจนี่เป็นของดีเป็นของวิเศษเป็นตัวกูของกูก็เลยอยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันฟ้นทุกข์เกิดความอยากนาน า, นาชนิดขึ้นมา มีความอยากขึ้นมานะั่งก็บำบัดความอยากไปตามสติตามปัญญาส่วนใหญ่ก็คือสนองกิเลสสนองความอยากไปพวกหนึ่งก็ทรมานข่มมันนะลำบากพระเจ้าท่านแก้ปัญหานะด้วยวิธีให้รู้ทุกเคยได้ยินไว้ว่าทุกให้รูนะ้หน้าที่ต่อทุกคือการรู้นะสิ่งที่เรียกว่าทุกเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าทุก์ก็คือกายกับใจของเรานี่แหละเรียกว่าตัวทุก เคยได้ยินไหมว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เคยได้ยินไหมอะไรเกิดอะไรแก่อะไรเจ็บอะไรตายร่างกายใช่ไหมร่างกายนี่แหละจริงๆแล้วร่างกายเป็นตัวทุกข์อาการปรากฏของทุกข์ในร่างกายคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นแค่อาการปรากฏของตัวทุกข์ตัวทุกข์แท้ๆก็คือตัวกายนี่แหละตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ซึ่งเราจะไม่เห็นนะ เรายังยังไม่สามารถเห็นได้เลยว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์คนที่เห็นกายเป็นตัวทุกข์ได้คือพระอนาคามีเพราะเรายังไม่เห็นใช่ไหมคนที่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ได้คือพระอรหันต์เรายังไม่เห็นหรอกเรายังไม่เห็นหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราไปเห็นแค่อาการปรากฏของตัวทุกข์แก่ขึ้นมาเป็นทุกข์เจ็บขึ้นมาเป็นทุกข์ตายขึ้นมาเป็นทุกข์ยังไม่เห็นว่าตัวทุกข์แท้ๆคือร่างกายเราเห็นว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์มีความอยากและไม่สมอยากเป็นทุกข์ถามว่าใครเป็นคนเป็นตัวทุกข์จริงๆนี่คือจิตใจของเราอาศัยจิตใจนะเรารักผูกพันกับคนนี้ใช่ไหมเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักการพลัดพรากสิ่งที่รักเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจเท่านั้นเองเป็นการแสดงออกมาการที่เจอกับสิ่งที่ไม่รักร่างกายเรามีความรักคนอื่นไหม ร่างกายไม่ได้รักใครร่างกายเป็นวัตถุเห็นหตัวที่รักตัวที่เกลียดคือจิตต่างหากไมงั้น <c oughs> ประสบกับสิ่งที่ไม่รักใครประสบจิตเป็นคนประสบพลัดพ ร, รากจากสิ่งที่รักใครเป็นคนพลัดพรากจิตเป็นคนพลัดพรากร่างกายไม่เคยรักไม่เคยเกลียดใครจิตต่างหากเป็นตัวรักตัวเกลียดงั้นอาการปรากฏของทุกทางใจนนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง เจอของชอบบ้างเจอของเกลียดบ้างพลัดพรากจากของชอบไปมีของชอบแล้วก็ต้องพลัดพรากมีไหมของชอบที่ไม่พลัดพรากไม่มีอย่างสามีพัญญาว่ารักกันมากต้องพลัดพรากไหมพลัดพรากสุดท้ายก็พลัดพรากไม่มีหรอกที่ว่ารักอะไรแล้วจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นได้ตลอดกาลต้องพลัดพรากตลอดเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนใหเรารู้ทุกข์นะ การรู้ทุกข์ก็คือการรู้ความจริงของกายของใจว่ามันเป็นตัวทุกข์นะรู้เข้ามาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างที่เคยคิดเคยฝันหรอกนะวิธีที่จะรู้ทุกข์เนี่ยทำยังไงการรู้ทุกข์นี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเคยได้ยินชื่อไหมวิปัสสนะาเนี่ยไปดูท้องฟองท้องยุบระบบวิปัสสนาไม่ใช่ วิปัสนาต้องเห็นความจริงของตัวทุกข์คือเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจถ้าเห็นร่างกายถ้าเห็นจิตใจไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นความจริงของกายต้องเห็นความจริงของใจถึงจะเป็นวิปัสนาความจริงของกายของใจคืออะไรคือไตรลักษณ์นะนะเพราะฉะนั้นวิปัสนากรรมฐานหรือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจหรือการรู้ทุกเนี่ยคือการรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจ ทำอย่างไรเราจะสามารถเห็นว่าร่างกายตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าจิตใจนี่ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นี่เป็นศาสตร์ที่พวกเราต้องเรียนนี่คือศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะศาสตร์ที่ลึกซึ้งที่สุดเลยการที่เราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ได้นะนะั้นเราอาศัยเครื่องมือสําคัญสองตัวนะ ตัวแรกเรียกว่าสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจวเรารู้จักขาดสติัหยกินเหล้าทำให้ขาดสติเคยได้ยินไหมแท้จริงไม่กินเหล้าก็ขาดสติเพราะคนในโลกนี้ไม่มีสติหรอกมีสติอย่างโลกโลกแต่ไม่เคยมีสติอีกชนิดหนึ่งสติชนิดสําคัญที่สุดชื่อว่าสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมไม่ใช่สติธรรมดานะสติปัฏฐานสติธรรมดาก็ไว้อยู่กับโลก นะส่วนสติปัฏฐานนั่นคือสติที่รู้กายสติที่รู้ใจของตัวเองงั้นหะน้าที่ของเรานะมาเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะแล้วการที่จะรู้สึกกายการที่จะรู้สึกใจนะจะรู้สึกได้ดีแ ล, Sergey. แล้วเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องรู้สึกแบบเป็นคนวงนอกเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะจิต ท, ที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูจิตที่ตั้งมั่น มันจะมีสภาวะที่ว่ามันเหมือนแยกตัวออกมาเห็นร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่เรียกว่าจิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องคือมีความตั้งมั่นงั้นต้องมีเครื่องมือสองตัวสติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ ในขณะที่สติไปรู้ว่ามีอะไรเกิดในกายในใจนะจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูนะจิตจะต้องไม่เคลื่อนเข้าไปไม่ไหลเข้าไปไม่ส่งเข้าไปในสิ่งที่มันรู้ตรงนี้แหละเป็นศาสตร์ที่เข้าใจยากเพราะพวกเราทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทพรมทั้งหลายจนถึงสัน์นรกอเวจีอะไรก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามมีปกติส่งจิตออกนอก หลวงปู่ดุลท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกเคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดุลย์ไหมว่าอย่าส่งจิตออกนอกจิตของเรามีธรรมชาติออกนอกหลวงปู่ดุลบอกอย่างนี้นะอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกจิตส่งออกนอกหมายถึงอะไรจิตเนียชอบไปดูนะชอบไปดูรูปแล้วลืมตัวเองจิตชอบไปฟังเสียงแล้วลืมกายลืมใจของตัวเอง เวลาไป ด, ดมกลิ่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสทางกายนะ mm. ก็ลืมกายลืมใจของตัวเองนะเวลาใจไปคิดนึกนะรู้เรื่องราวที่คิดที่นึกไปแต่ลืมกายลืมใจของตัวเองขณะที่พวกเรารู้จักเมหม่อรู้จักเหม่อไหมเวลาที่เราเหม่อคือใจมันไปคิดใช่ไหมสังเกตไหมตอนที่เราไปคิดนะเราเหม่ออยู่ยุงกัดเราไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในกายไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในใจไม่รู้หรอก นะกำลังเมื่อเมื่อนะมีความสุขก็ไม่รู้มีความทุกข์ก็ไม่รู้นะจิตใจเป็นไงก็ไม่รู้จิตดีหรือจิตชั่วก็ไม่รู้นะใจมันหลงไปเรื่อยไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เวลาเมื่อเมื่อนะี่มีร่างกายก็ลืมมันไปหรือเวลาเราขับรถมีคนปาดหน้าเรากโกรธเวลาเรากโกรธเราทาไงเราไปดูไอ้คนที่ปาดหน้าเราใช่ไหมมีใครย้อนมาดูจิตที่กาลังโกรธหมไม่ค่อยมีหรอก นะแล้ธรรมชาติจิตเนี่ยนะมันจะสนใจของข้างนอกตอนเด็กๆนะเด็กสมัยก่อนนะเวลาใครเคยเห็นปลาตะเพียนไหมเ้าปลาตะเพียนใบลานนะมาแหวนให้เด็กดูเด็กเดี๋ยวนี้คงดูโมบายดูอะไรนะหรือโตขึ้นหน่อยก็ดู iPad นะเวลาดู iPad นะจิตไหลเข้าไปอยู่ใน iPad นะจิตส่งออกนอกพวกเราตันไปเยี่ยมคนออกลูกใหม่ๆอ่ะ เ้าไปเห็นเด็กแดงๆเคยเล่นเะเอ๋ไหมเจเอ๋เจเอ๋ไปโบกมือใส่หน้ามันนะให้เด็กมันมองมใช่ไหมใครเคยเล่นยกมือสิเนี่ยสร้างกรรมร้ายแรง <c oughs> กําลังสอนเด็กให้ส่งจิตออกนอกออกนอกออกนอกอออกนอกน <c oughs> <c oughs> เคยสอนไหมเด็กนี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเจอเด็กเล็กๆเคยสอนไหมไม่เคยเลยไหมถ้าเป็นลูกเรานี่พ่อนี่แม่ใช่ไหม ให้ไปดูพ่อดูแม่ดูออกนอกนะไม่เคยมีใครสอนเด็กเลยว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะจําไว้นะมีลูกลองไปบอกมันรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะเอามันตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะรูปมันรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไวไ้นะเราถูกสอนให้ส่งจิตออกนอกตั้งแต่เล็กๆเลยนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของเราเนี่ยเคยชินที่จะออกไปรู้ของข้างนอกไม่เคยชินที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจ งั้นต่อไปนี้เรามาปรับความเคยชินใหมนะ่เรามาสร้างความเคยชินของความรู้สึกตัวคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจตัวเองจิตนะั้นมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินตั้งแต่เล็กมาถูกสอนให้ออกนอกมันก็ออกเก่งต่อไปนี้เราจะสอนมันใหม่สอนให้มันรู้สึกตัวนะงั้นวิธีการเบื้องต้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเนี่ยกรรมฐานมันมาตรงนี้ละนะ จะทำพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบนะจะทำจังหวะกรรมฐานอะไรก็ได้แต่เมื่อทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้มุ่งไปให้จิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานานั้นนั้นะถ้าเราทำกรรมฐานนั้นหนึ่งแล้วก็น้อมจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์เช่นเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกน้อมจิตให้ไปอยู่ที่ลมหายใจจะได้แต่สมถกรรมฐานได้แต่ความสงบเฉยๆจิตไม่ฟุง้งซ่านได้ความสุขความสงบจาก สมาธิเฉยๆนะเราลองฝึกใหม่วิธีอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าธรรมดาเกินไปนะไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันได้สมาธิชนิดนั้นที่ให้จิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอะเรามาฝึกใหม่ทำสมาธิขึ้นสักอย่างกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วแทนที่จะน้อมจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นนันนะเปลี่ยนมาเป็นคอยรู้ทันจิตเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ใช่มุ่งเอาสงบ แต่พุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันหนีไปคิดเนี่ยมันส่งออกนอกและพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันนหรือรู้ลมหายใจไปรู้หายใจออกหายใจเข้าแลรู้สึกตัวไปหายใจไปสบายไม่มุ่งเอาความสงบไม่น้อมจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจนะแล้วรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจสักพักหนึ่งจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิด หรืหายใจไปหายใจไปจิตไหลไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจละการที่เราคอยรู้ทันจิตว่าเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปบ่อยๆนะต่อไปจิตจะตั้งมั่นจิตจะไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ต้องรักษาตรงนี้นะสําคัญมากเลยเราจะต้องฝึกให้มันตั้งมั่นโดยที่ไม่ต้องรักษาไว้ถ้าเรายังจงใจจะฝึกให้มีสติจงใจจะต้องมีสติจงใจจะต้องมีสมาธิจงใจเจริญปัญญามีจงใจอยู่นะ อริยมรรคจะไม่เกิดเพราะเวลาตัวความจงใจเนี่ยชื่อว่ามาโนสัญญาเจตนาความจงใจมโนสัญญาเจตนาทําให้เกิดการกระทํากรรมคือการสร้างพบของจิตนะงั้นมรรคผลไม่เกิดหรอกมันเกิดพบเกิดชาติขึ้นในจิตของเราด้วยความจงใจนะแล้วเราต้องฝึกจนมาอัตโนมัตนะิค่อยๆฝึกไปนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา ะพอจิตมันตั้งมั่นแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้ไปนะอย่างร่างกายมันปวดมันเมื่อยเรารู้ทันเห็นความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเห็นความปวดความเมื่อยตั้งอยู่เดี๋ยวย้ายที่ไปอยู่ที่ล้ตรงนี้ดับไปเนี่ยเราเรียกอย่างนี้เรียกว่าฝึกให้มีสตินะตรงที่ฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยจะได้สมาธิที่ถูกต้องคือได้ความตั้งมั่นหลวงพ่อบอกแล้วนะวิปัสสนาเราต้องมีสติกับสมาธิที่ถูกต้อง งั้นเราต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นได้สมาธินะโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นมันตั้งเองนะเพราะมันไม่เคลื่อนมันก็ตั้งนั่นแหละก็แค่นั้นเองมันเคลื่อนเพราะอะไรมันเคลื่อนเพราะมันฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านด้วยอํานาจของโมหะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นโมหะดับไปเองไม่ต้องไปดับมันนะไม่ต้องบังคับจิตให้ตั้งมั่นนะจิตจะตั้งเอง ได้แค่รู้ทันว่ามันเคลื่อนเท่านั้นเองมันก็ตั้งเองแล้วะจิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคอยรู้สึกอยู่ว่าคนถนัดรู้สึกกายก็รู้สึกกายบ่อยๆนะร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวนะถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้า ร่างกายเป็นธาตุที่ไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะแล้วร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไหมนอนก็ทุกข์ถึงต้องพลิกซ้ายพลิกขวามันทุกข์นั่งอยู่ก็เมื่อยใช่ใครนั่งแล้วยังไม่เก่าเลยมีไห ส่วนใหญ่นะในห้องนี้แอบเกาไปเยอะแล้วนะถ้าหยุดที่หลวงพ่อจะเห็นเลยค่อนข้างจะเชื่อชาดาวินนะมาจากลิงนะยุกยิกยุกยิกนะถ้าพวกเทพเขาจะเรียบร้อยกว่านี้นะแล้วถ้าพวกมารนี่เรียบร้อยกว่าเทพอีกมารนี่จะเนี๊ยบมากเลยนี่เราคอยรู้สึกอยู่นะร่างกาย ใจเราไม่ล่องลอยไปนะที่จะรู้สึกในร่างกายมีใจเป็นแค่คนดูคนรู้คนเห็น mm. ก็จะเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตนะุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายนีจะแสดงใจรักในในเรื่องของทุกนะกับเรื่องของอนัตตาชัดทุกขังอนัตตาเนี่ยจะชัดนะส่วนจิตใจจะแสดงอนิจจังอนัตตาชัด จิตใจนะสมมุติถ้าบางคนถนัดดูกายแล้วเห็นกายเป็นก้อนทุกข์ไปื่อยไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนทุกข์นะถ้าคนไหนถนัดดูจิตดูใจนะพวกคิดมากพวกฟุ้งซ่านมากนะอารมณ์หวือหวาเปลี่ยนแปลงนะเรารู้ทันความรู้สึกในใจที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างเนะี่ยเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นในใจเราก็แค่รู้เราก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราว ที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราไม่สนใจจะดูเพราะเรามวดแต่ดูของข้างนอกอย่างเวลาราคาเกิดนะเราไม่ดูว่าจิตมีราคานะเราจะไปดูไอ้คนที่สวยๆคนนี้เราชอบนะหรือไม่ก็ไปคิดถึงคนที่เราชอบเราไม่เห็นว่าจิตกำลังมีราคาหรืออย่างที่ยกตัวอย่างนี่ขับรถอยู่เขาปาดหน้าแล้วก็ไปดูคนที่ทาให้โกรธเราไม่รู้ว่าจิตกาลังโกรธ เ <N ic id> นี่ยเรากลับข้างนิดเดียวเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะ <N ic id> แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเออความรู้สึกกับจิตเนี่ยคนละอันกันความโกรธกับจิตเนี่ยคนละอันจิตเป็นคนรู้ความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาความรอบความหลงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะ <N ic id> เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนรู้อยู่ต่างหากกุศลอกุศล ส, ส, สุขทุกข์อะไรเนี่ยนะเป็นของถูกรู้หมดเลยจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเนี่ยเราต้องฝึก ให้จิตเป็นคนดูให้ได้นี่แหละที่เราฝึกให้มีสมาธิแนละ้ให้มีจิตตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาจิตจะไหลไปตามความโกรธจิตจะเคลื่อนไปไหลไปเพราะฉนั้นสําคัญมากเลยนะที่จะฝึกให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนืกับตัวต้องฝึกต้องซ้อมหลายคนเลยที่ทํากรรมฐานนะนี่หลวงพ่อเคยพบเคยเห็นเกือบร้อยละรนะ้อยเพ่งทั้งนั้นเลยเพ่งดูท้องก็เพ่งท้องดูมือก็เพ่งมือนะ ทำอะไรก็เพ่งหมดเลยตรงที่เพ่งเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นงั้นสิ่งที่ขาดมากเลยนะที่นักปฏิบัติทั้งหลายที่กระทั่งคนที่แวน้ป้ายว่าทำวิปัสสนานะไม่ได้ทำวิปัสสนาจริงเพราะขาดสมาธนะิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาความตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอย่ามาคุยเรื่องวิปัสสนาเลยทไม่ได้นะเพราะว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ดนั้นเราต้องมาฝึกนะฝึกให้จิตใจเราตั้งมั่นค่อยๆฝึกไปแล้วก็พาจิตใจตั้งมั่นแล้วเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจจิตเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูมันจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราค่อยๆรู้ค่อยๆดูไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมาอย่างพวกเราจะทําได้คนที่ทําได้ก็มีสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆพระเจ้าท่านถึงยืนยันนะว่าตราบใด นะที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่คือสติที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะนะถ้าทำถูกต้องก็ต้องรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรารใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระรอรหันตะ์เนาะเพราะนั้นหน้าที่ของเรารู้ทุกนะรู้ทุกถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งเนะี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นเนี่ยอริยธรรมตัวที่4คือตัวมรรคนะัหน้าที่เรารู้ทุกให้เยอะเลย นะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ไปเรื่อ ย, เ ร, อยเรื่อยนะสติเคยะระลึกบ่อยต่อไปสติอัตโนมัติเกิดไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่เจตนาจะรู้สึกอย่างรู้สึกเลยอย่างเวลานอนหลับนะจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกทั้งคืนเลยนะแต่ไม่ใช่ไม่หลับนะหลับนะทั้งทัที่ร่างกายหลับนี่แหละแต่ว่าพอร่างกายพลิกเลิกอะไรนี่นะ สตรีมทำงานอัตโนมัติมันรู้หมดเลยนะอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจมันรู้หมดอ่ะนะต้องฝึกจนมาอัตโนมัติสมาธิก็ต้องฝึกจนมาอัตโนมัติจิตเคลื่อนไปแล้วต้องรู้ทันทีเลยไม่เคลื่อนไปนานพวกเราส่วนใหญ่เคลื่อนนานนะเคลื่อนวันละครั้งคือตื่นขึ้นมาจิตก เ, เคลื่อนไปเลยนะจนกระทั่งหลับวันหนึ่งเคลื่อนครั้งเดียวนะแต่ว่า10บกว่าชั่วโมงนะนี่น่าสงสารนะไม่มีทางจะภาวนาหรอก ยิ่งนักปฏิบัติเนี่ยจิตเคลื่อนแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะไม่หลงนานหรอกนะวันหนึงเคลื่อนเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเลยนะไวแวบรู้สึกแวบรู้สึกจิตจะสรงตัวเด่นดวงตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัตินะเพราะอะไรเพราะไหลไปปุ๊บรู้ปัป๊บก็ตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาแต่ตั้งเป็นขณะขณะนะอย่างนี้ในสุดแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยรวมรวมกันเข้ามามันก็ทรงตัวเด่นขึ้นมาได้นะ ต, ต้องครฝึกนะ สติก็ฝึกให้อัตโนมัติสมาธิก็ฝึกให้อัตโนมัติร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวรู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้นั่นเรียกสติอัตโนมัติจิตเคลื่อนไปรู้โดยไม่เจตนาจะรู้หลายแวบรู้สึกเลยจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัตินั่นได้สมาธิอัตโนมัตินะปัญญาอัตโนมัติตัวนี้ต้องสะสมเอาค่อยดูกายค่อยดูใจไปดูมันทํางานไปร่างกายมีแต่ทุกข์ มีแต่ความไม่ใช่ตัวตนจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะซ้ําแล้วซ้ําอีก7วัน7เดือน7ปีตรงนี้แหละคําว่า7วัน7เดือน7ปีเคยได้ยินใช่ไหมบางคน7ชาติยังไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ทําอะไร7วัน7เดือน7ปีนึกว่าเข้าวัดได้7ปีเลยจะบรรลุไม่บรรลุหรอกนะถ้าเข้าวัด7ปีนะมาอยู่วัดก็เกิด7ปีนะบางตัวอยู่ตั้ง10ปีไม่เห็นมันบรรลุอะไรเลย ก็ต้องจเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่รู้ด้วยจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางสุดท้ายก็เห็นความจริงของกายของใจความจริงของร่างกายคือมันถูกความทุกข์บีบคั้นมันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุความจริงของจิตใจก็คือมันแปรปรวนตลอดเวลาไม่เที่ยง บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สุกก็ไม่ได้ห้ามทุกก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้พวกเราเคยไม่ตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธน่ะตั้งใจจะไม่โลภจะไปเดินศูนย์การค้าจะไปดูเฉยเฉยอ่ะแต่เสร็จแล้วก็หิ้วของกลับบ้านมาเยอะแยะเคยไหมมันสั่งไม่ได้น่ะสั่งไม่ให้โลภมันก็โลภสั่งไม่ให้โกรธมันก็โกรธสั่งไม่ให้หลงมันก็หลงต่อไปนี้เราจะทดสอบหลวงพ่อจะหยุดพูดนะ พวกเราห้ามหลงไปคิดนะให้รู้สึกตัวอย่าคิดนะคิดไหมห้ามได้ไห ม, ไมห้ามไม่ได้อย่าไปห้ามนะห้ามแล้วเพี้ยนอย่าไปห้ามมันเพราะจริงๆคือห้ามไม่ได้ต้องการเห็นไตรักนะไม่ใช่ต้องการดัดแปลงไตรลักษณนะเห็นไตรลักษคือเห็นความจริงเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ไปฝึกให้ร่างกายเป็นสุขนะร่างกายเป็นอนัตตาเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ไปฝึกให้มันเป็นตัวตนอะไรขึ้นมา จิตใจเป็นของไม่เที่ยงก็ไม่ได้ไปฝึกให้มันเที่ยงนะจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้ก็ไม่ใช่ไปฝึกให้บังคับได้แต่ไปดูให้เห็นความจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะดูไปเรื่อยๆนะถึงวันที่สติสมาธิปัญญามันพอแนละ้วนะบนบารมีเราพอนะจิตจะรวมเข้าอปปนาสมาธิทั้งๆที่ปกติเราใช้สมาธิเป็นขณะๆเนี่ยนะ แต่วันที่อริยมรรคจะเกิดไม่ใช่วันที่ในขณะที่อริยมรรคจะเกิดนะจิตของเราจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะบางคนรวมลึกลงโลกธาตุดับหมดเลยนะหรือจะธาตุรู้ตัวเดียวเลยหรือได้จิตดวงเดียวเลยนะโลกนี้หายไปหมดเลยก็มีนะถ้าเป็นสมาธิที่ยังมีรูปอยู่อาจจะยังมีร่างกายอยู่นะแต่จิตรวมเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะมีมิตกวิจฉานปีติสุขอะไรอง จนะนถึงอรูปฌานนะจิตจะเข้าฌานเองคนที่ไม่เคยเข้าฌานเลยนะถึงวันที่อริยามรรคถึงเวลาที่อริยามรรคจะเกิดจิตจะเข้าฌานอาริยามรรคไม่เกิดในสภาวะจิตปกติอย่างพวกเราตอนนีนะ้จิตอย่างพวกเราตอนนี้เป็นจิตที่ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่ร่อนเร่ไปเลยเรียกว่ากามาวจรกามาวจรจิตนะส่วนจิตที่จะเกิดมรรคเกิดผลนะจะต้องรวมเข้าฌาน เพราะฉนเวลาที่มันพอแล้วนะจิตรวมเองนะพอจิตรวมลงมาแล้วสติจิตเนี่ยรวมลงที่จิตไม่ไปรวมอยู่ที่อารมณ์ไม่ใช่ไปอยู่กับลมหายใจอยู่กับมือกับเท้ากับท้องนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเลยนะสติระลึกรลงลงที่จิตนะปัญญาเห็นความจริงของจิตในขณะนั้นนะนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นจะเห็นอย่างนี้นะทุกสิ่งเกิดระดับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะจะเห็นอย่างนี้สองสามขณะนะ เสร็จแล้วอริยมรรคแท้ๆจะเกิดขึ้นจะฆ่าสังโยตตายนะเสร็จแล้วพ อ, อริยมรรคเกิดนะจิต จ, จะสัมผัสพันิพาลเต็มภูมินะสองสาขณะเท่านั้นเองงั้นเป็นพระโสดาเนี่ยเคยเห็นพันิพาลแวบเดียวเองบางคนจําไม่ได้งั้นเวลาจะกลับเข้าไปสัมผัสพันิพาล น, นะพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคานะต้องมาเจริญวิปัสนาใหม่ พอจเจริญพิปัสนาดูกายดูใจนะ <_ d ial> เห็นใจ <_ d ial> เห็นใจเป็นไตรลักษณ์จิตปล่อยกายปล่อยใจดับลงไปทิ้งกายทิ้งใจลงไปนะก็เข้าไปสัมผัสพนิพาน์นะเวลาสัมผัสพนิพานมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตจิตตัวนั้นเรียกว่าผลละจิตไม่ใช่เวลาบอกเข้าผลละฌานเข้าผลสมาบัติมันไม่มีจิตไม่ใช่ต้องมีจิตเรียกผลจิตนะเวลาเกิดอริยมรรคก็มีจิตนะชื่อมรรคจิต เกิดอริยผลก็มีจิตนะชื่อผลและจิตมีจิตนะไม่ใช่ว่าจิตดับหายไปแล้วเขาบบรรลุมรรคผลถ้าจิตหายไปเขาเรียกว่าพรหมลูกฟักเคยได้ยินชื่อไหมหน่ากินนะชื่อน่าไปตุน๋นพรหมลูกฟักไม่มีจิตเนี่ยสติสมาธิปัญญานะประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันนะเกิดเป็นพลังที่มหาศาลขึ้นฆ่ากิเลสตายฆ่าตายแล้วตายเลยไม่กลับมาอีกล้ ขาดแล้วขาดเลยไปเนี่ยอริยามรรคจะเกิดนะพวกเราที่ร่อนเร่ในวัฏฏะเนี่ยมีโอกาสเกิดอริยามรรคสี่ครั้งเท่านั้นไม่เกินนั้นหรอกถึงครั้งที่4เนี่ยจะแจ้งพานิพานนะนะเวลาที่นึกถึงพานิพานเนี่ยไม่ต้องไปทําวิปัสสนาแค่มานาศิกานแค่นึกถึงนะพานิพานก็ปรากฏ ข, ขึ้นต่อหน้าต่อตานะมีความสุขอยู่กับคนเยอะๆนี่ก็ เ, เหมือนอยู่ในความว่างเปล่านะ แต่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรมันว่างจากอะไรมันว่างจากความปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ต่างหากนะไม่ใช่ว่างแบบว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยถ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อนัตถิกะทิฏฐิเพั้นถ้าใครสอนเราบอกว่าภาวนาไปแล้วสุดท้ายทุกอย่างว่างเปล่าต้องรู้นั้นนั่นคําสอนของมิจฉาทิฏฐิคําว่าว่างๆนั้นว่างจากอะไรว่างจากความปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ว่างจากธาตุจากขันต์ต่างหากนะ ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไปฝึกเอานะนี่แหละที่เรียกว่าอาริยธรรมนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าไม่ค่อยฝึกเอานะไม่เจริญสติไม่มีสมัครทีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูชาตินี้ไม่ได้หรอกชาติไหนก็ไม่ได้ต้องฝึกเอาไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาจะทำได้อย่างคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังไปฟังไปแล้วจิตตื่นขึ้นมา เมื่อ5ปีก่อนนะคนไหนจิตตื่นนีหลวงพ่อชมแล้วโอ้คนนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วแต่วันนี้นะถ้าใครจิตตื่นเนี่ยหลวงพ่อไม่ชมแล้วเพราะว่าเป็นของพื้นๆใครๆเขาก็ตื่นนะฟังซีดีเดือนหนึ่งเขาก็ตื่นแล้วเฉยแหลกเลยนะแค่จิตตื่นมาถึงวันนี้เนะี่ยอย่างน้อยต้องแยกธาตุแยกขันได้เห็นกายกับใจมันคนละอันกันนะเห็นสุขกับทุกข์กับใจกโคนละอันกันเห็นดีชั่วกับใจกโคนละอันกัน เห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นะถ้าเห็นได้อย่างนี้หนึ่ถึงโอ้ใช้ได้ใช้ได้แยกธาตุแยกขันธนะ์ได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้ยังทํามิปัสนาไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้นี่นะยังไม่เริ่มมิปั ส, สนาเลยนะนั่นคื อ, อยานที่หนึ่งนะเรียกนามรูปปริเฉทยานเคยได้ยินไหมที่ดูท้องพองท้องยุบท้องพองอันหนึ่งท้องยุบอันหนึ่งแล้วบอกนามรูปปริเฉทยานไม่ใช่นะนั่นแยกรูปกับรูป นะไม่ใช่รูปกับนามเนะนี่ยตัวเนี้ยพยักหน้าอยู่เห็นไหมใจเราเป็นคนดูนะค่อยๆฝึกไปรูปกับนามกายกับใจมันแยกออกจากกันนะเจตสิกก็แยกออกจากจิตคือสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปจากจิตอีกเป็นขันธ์แต่ละขันธ์แต่ละกลุ่มแต่ละกองแต่ละตัวนั้นแสดงใจลักณไดนะ้ตรงที่เราเริ่มเห็นกายเห็นใจแสดงใจลักตรงนั้นแหละเริ่มวิปัสสนาละนะตรงที่แยกกายแยกใจได้นี่เป็นเบื้องต้น ในการเจริญปัญญาเบื้องต้นยังไม่ถึงวิปั ส, สนาแตตรงที่เห็นร่างกายที่อยู่ต่าหากจากจิตเนี่ยไม่ใช่เราขึ้นมานี่นะตัวนี้แหละจิตมันขึ้นวิปั ส, สนาหรือเห็นจิตเนี่ยเกิดดับไดนะ้จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆบางขั้นนะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้มารับอารมณ์ต่ออย่างนี้เรียกว่าสันตติขาดขึ้นวิปัสนาเหมือนกันนะค่อยฝึกนะอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยถ้าใครยังไม่บรรลุมรรคผลไม่ชมอีกแล้ว เฉยแหลกอีก ล, นะล้าหลังนะเพราะฉะั้นตอนนี้ถ้าใครยังรู้สึกตัวไม่เป็นเนี่ยต้องจัดอยู่ในกลุ่มล้าหลังแล้วนะสปีดหน่อยขยันวิธีขยันคือไปฟังซีดีหลวงพ่อให้เยอะๆหน่อยนะฟังนะซีดีก็มีแจกถ้าเราไม่มีไม่ได้รับแจกก็ไปดาวน์โหลดเอาเยอะแยะซีดีหลวงพ่อทนะ่าคนฟังทั้งวันทั้งคืนนะบางคนก็ขึ้นรนได้ก็เปิดแนละ้วนะเปิดแล้วฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ลูกนั่งในรถนะลูกภาวนาเป็นนะมีบางบ้านนะพอแม่ขับรถไปแล้วโกรธลูกบอกแม่แม่โกรธแล้วรู้ไหมนะ่อย่างนี้เราะอย่างนี้นะลูกเล็กเด็กแๆมพอภาวนาเป็นนะงั้นไปฟังซีดีดูนะให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองบ้างสมมติว่ามีซีดีหลวงพ่ออยู่แผ่นเดียวก็อย่าเสียใจแผ่นเดียวก็พอแล้วนะฟังแล้วฟังอีกนะไปลองดูนะ ซีดีเพรงพ่ออัศจรรย์จริงๆเลยกล้ารับรองเลยฟังแต่ละครั้งเนี่ยความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนกันนะเป็นเรื่องประหลาดนะมันไม่เหมือนวิชาการทางโลกอนะฟังแล้วก็เหมือนกันทุกทีแต่ธรรมะเนี่ยธรรมะประโยคเดียวกันนะฟังแต่ละวันแต่ละวั น, นความเข้าใจไม่เหมือนกันมันจะประณีตลึกซึ้งขึ้นเป็นตามลําดับตามลําดับของจิตใจของเราตามภูมิจิตภูมิธรรมของเรานะงั้นลองไปฟังดูนะจะได้ สมบัติของพระพุทธเจ้าติดเนื้อติดตัวบ้างนะค่อยสมกับเป็นลูกพระพุทธเจ้าบ้างเนะี่ยใครก็ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนโน้นสอนนี้ไม่รู้จริงดีแต่เปลือกไม่ได้เรื่องหรอกนะถ้าเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องพ้นทุกได้นะต้องพ้นทุก์ได้เรื่องอะไรต้องมีชีวิตที่ทุกขนะ์พอสมควรนะสีนาที มีใครจะคุยกหลวงพ่อไหมกลาบนรรมสการ์ท่านพระอาจารย์เจ้ค่ะแม่ชีขอรายงานผลการภาวนานะเจ้าค่ะเมื่อเร็วๆนี้เจ้าค่ะเหมือนเสมือนหนึ่งว่าแม่ชีไปเห็นวิธีของจิตก่อนจะดับอะค่ะหลวงพ่อคือไปเห็นค ว, วามละเอียดของจิตตรงปลายคล้ายๆเหมือนว่าเคยเรียนมาว่ามันมีสิบแปดจิตเนี่ย สิบเจ็สิบเจ็ดจิตเนี่ยค่ะก่อนที่จะสิบเจ็ดคล้ายๆอย่างนั้นนะเจ้าค่ะนิดๆหนึ่งอ่ะตรงนั้นเรียกตถาลัมพณาเจ้าค่ะลักษณะที่เห็นก็คือเดินจงกรมในบ้านแล้วก็ผ่านโต๊ะอาหารมือเนี่ยไปเอื้อมหยิบทิชชู่โดยไม่รู้ว่าตอนนั้นทำไมต้องไปหยิบแต่ก่อนที่มือจะไปหยิบทิชชู่จะหยิบอาหารอ่ะเจ้าค่ะก่อนที่จะมือไปถึงทิชชู่เนี่ยมันจิตตัวสติมานระลึกขึ้นว่าอะไรสักอย่าง ทำไมต้องหยิบทิศชู้ใครให้หยิบเร็วมากนะเจ้าคะ่ะเราเห็นความละเอียดของจิตก่อนจะดับแล้วแม่ชีก็บอกไม่หยิบก็ได้นี่ทำไมต้องหยิบแล้วแม่ชีก็เข้าเหมือนกับสภาวะนี้ที่ปรากฏนะเจ้าคะ่ะแม่ชีอย่าไปเรียนเยอะเจ้าคะ่ะดูกายดูใจหลกปัจจุบันไปนะเจ้าคะ่ะจิตต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ไม่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวนะ ถ้าใจยังไหลวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยจะไม่เห็นของจริงหรอกเจ้าค่ะและสภาวะละเอียดเล็กๆนั่นเห็นไหมเจ้าค่ะเห็นเห็นได้นะแต่แต่ไม่ทีมาคิดตามที่หลังนะเจ้าค่ะก็ตอนนั้นไปคิดไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้คิดเจ้าค่ะแต่ว่าอย่าไปนึกถึงมันจบไปแล้วจบไปแล้วอันนี้รายงานเจ้าค่ะอันนี้ขึ้นวิปัสสนารู้สึกตัวเจ้าค่ะขึ้นวิปัสสนาหรือยังเจ้าค่ะ พู้ยากน ะ, นะ เ, เกรงใจไม่เป็นไรเจ้าค่ะ <c oughs> เาภาวนาต่อไปนะเจ้าค่ะทำอีกนะตามเส้นทางที่ทำอยู่นะเจ้าค่ะคือต้องแม่ชีนะหลวงพ่อ <c oughs> อยากให้ฝึกตัวนี้ให้ได้จิตที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะเพราะว่าแม่ชีเนี่ยเป็นพวกที่ถจริตมัน <c oughs> ช่างคิดนะ <c oughs> ช่างคิดมากใจมันไปวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดนะพยายามรู้สึกตัวนะ ค่อยๆดูไปกายอยู่ส่วนหนึง่งใจอยู่ส่วนหนึง่งนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็อยู่คนละส่วนคนละส่วนค่อ ย, คอยๆฝึกแยกตัวนี้ไปนะสงสัยทราบไหมทราบค่ะสงสัยก็ทราบไหแล้วเมื่อกี้ทราบเฉยๆใช่ไหมไม่ได้เห็นสงสัยดับไม่เห็นค่ะ <S 2> <S 2> แค่สงสัยผุดขึ้นมาแค่<า>เห็นสภาวะแล้วหนีไปแล้วไม่ดูต่อเนี่ยพราะหนีไปคิดตะครุบอารมณ์ใหม่คือไปหนีไปคิดซะละนี่เลยตกจากวิปัสสนาไปอ นะต้องฝึกต่อไปแบบนี้ต้องฝึกให้เห็นนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนะจะไปเห็นตัวนี้ได้ก็คือไม่หลงคิดแล้วรู้สึกตัวให้เป็นเพราะฉะนั้นจิตหนีไปคิดให้รู้จิตหนีไปคิดให้รู้ฝึกตัวนี้ให้เยอะที่สุดเลยนะมันทําได้แล้วใช่ไหมหลวงพ่อกําลังว่าหมายถึงวนะ่าที่จริงไม่ชีทําอยู่แต่หลวงพ่อเพิ่มเติมว่าให้รู้แตะรู้แต่ไม่คิดต่อรู้แล้วแตะรู้แล้ววางเลยไม่ให้คิดต่อ รู้อย่างที่มันเป็นนะเราเห็นมันดับไปนะไม่ใช่แกล้งทิ้งมันนะแต่ก็ไม่คิดต่อแกล้งทิ้งมันก็ผิดนะอาไม่ใช่แกล้งทิ้งอยู่พักหนึ่งใช่ไหมทิ้งต่อคิดต่อก็ผิดถ้าคิดต่อก็เป็นการสุขาริการโยกแกล้งทิ้งเป็นอัตตกิรมัธายโยกถ้าไม่แกล้งทิ้งสงสัยขอถามนะเจ้าคะถ้าไม่แกล้งทิ้งปงแต่งนานก็ทุกมากนะเจ้าคะเราไม่ได้กลัวทุกนะทุกให้รู้อย่าหนีมันเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ กลาวนมสสรสการท่านหนีไปได้เนอะจนมีแต่ความสุขแล้วก็เป็นความสุขหลอกๆลอ้วค่ะกล่าวนมั ส, สกรารใช่ไหมการนมัสการค่ะหลวงพ่อเพิ่งส่งการบ้านเป็นครั้งแรกกลัวไหมใจตื่นเต้นคะ่ะกลัวใช่ค่ะพูดขึ้นมาเลยก็หนูสังเกตดูหนูเป็นคนคิดเยอะอะค่ะก็จะหนูสังเกตเปล่าว่ากายกับใจเป็นคนละอันเคยเห็นไหมเคยค่ะ เคยเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์หรือกุศลอกุศลลบหลดลงกระใจายกคนละอันถนัดดูกายมากกว่าใจใเมื่อถนัดดูกายมากกว่าใจดูกายเห็นกายมันทํางานใจเป็นคนดูฝึกนี้ให้เยอะเลยที่ฝึกอยู่ใช้ได้แยกขันไปเรื่อยคือเห็นกายมันทํางานใจมันเป็นคนดูต่อไปปัญญามันจะแทงทะรูลงไปกายนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุแต่เป็นวัตถุที่จิตสั่งให้เคลื่อนไหว อย่างทําไมแม่ชีไปหยิบทิชชู่มันมีจิตดวงหนึ่งสั่งให้หยิบนะแล้วจิตดวงที่สั่งให้หยิบมันดับไปแล้วแต่ร่างกายเนี่ยมันรับออเดอร์ไปแล้วมันก็กําลังเคลื่อนไปมันมีจิตอีกตัวหนึ่งไปรู้เข้าเฮ้ยมันเคลื่อนได้เองไม่มีใครสั่งที่แท้มันมีจิตดวงหนึ่งสั่งแต่จิตดวงนั้นมันดับไปซะก่อนเราไม่เห็นนะเมื่อกี้คุณที่ถือไม้เมื่อกี้จิตหนีไปคิดไหมหนีไปคิดคะ่ะเอให้รู้ทันนะ แต่เวลารู้ทันอย่าไปดึงออกไปให้แน่นๆนะแน่นไหมตอนนี้แน่นค่ะโอ้ถ้าแน่นไม่ดีให้รู้สบายๆนะมันตื่นเต้นอยู่ยังดูร่างกายไปดูร่างกายเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นค่ะเออเห็นร่างกายยิ้มดูกายนะเอากายเป็นหลักไว้หนุ่หนุมเหมาะกับสังเกตดูว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยจะรู้นั่นแหละฝึกกายนะแล้วก็เห็นกายกับใจแยกกันที่ฝึกอยู่อย่างนี้ยถูกละต่อไปปัญญามันจะเกิดเห็นกายไม่ใช่เรา ใจที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราแม่ชียอยากชิดนะแม่ชีเนี่ยนักชิดเลยเอาหลวงพ่อคะหนูขอกราบขอเข้ามาหลวงพ่อเออนะออใครจะขอเขอ้ามาหลวงพ่อรับทราบรับทีเดียว<อ>ทั้ง<ช>ห้องเลยนะหลวงพ่อไปไหนเนี่ยมีแต่คนขอเข้ามาอา้าวว่างมาหลวงพ่อะหนูก็ปฏิบัติมาก็สักระยะหนึ่งท่นนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะมารู้ว่ามันเป็น สมถะล้ลวนๆเลยตอนนี้เราเข้าใจหลักแล้วล่ะเราเข้าใจหลักนะขันมันก็เริ่มแยกได้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกแล้วตอนนี้หนูเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยตอนนี้ทําถู ก, ถกใช่ไหมคะถูกสัง เ, เกตไหมไกายกับใจเป็นคนล้านใช่ค่ะขันมันแยกค่ะเมื่อก่อนนะแค่หาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งเมื่อสามสิบปีก่อนหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งอย่างหายากเลยนะ เดี๋ยวนี้เต็มไปหมดเลยคนกระทั่งถึงขั้นที่แยกธาตุแยกขันได้นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะนันถัดจากนี้มันก็คือการเห็นไตรักแล้วเมื่อ เ, เห็นไตรักได้นะนับถอยหลังได้แนละ้วเจดวันเจดเดือนเจดปีนะนะเพราะนั้นอีกเจดวันเจ็ดเดือนเจดปีข้างหน้าเนี่ยนะตามทฤษฎีน่าจะมีพระริยะอีกเยอะเลยหลวงพ่อคะแล้วทาไมระยะนี้ โทสะจริตมันเยอะมากมันไม่ใช่ของเรา<ะ>นะจเจริญเมตตาไวนะ้คือคนไหนก็ตามเนี่ยถ้าเดินอยู่ในทางที่ถูกเมื่อไหร่นะ้มานจะะจนทันทีเลยวิธีระจญของมานทำได้หลายแบบนะบางทีมันก็กลายเป็นกระตุ้นกิเลสขึ้นมานะอย่างมานพยายามขู่เพราะโพธิสัตว์เนี่ยก็กระตุ้นกิเลสนั่นแหลนะขู่ให้กลัวใช่ไมก็ หรือแสดงอาวุธนานาชนิดเหมือนจะทิมจะแทงบางทีนั่งอยู่เจ็บเจ็บปวดปวดเลยนะอันนี้เรามีวิบากก็ใช้ไปจเจริญเมตตาไว้จเจริญสติไว้นละวงพ่จะเจริญเมตตาที่ต้องทำยังไงค ะ, จะเจริญเมตตาเบื้องต้นก็นึกเอาก่อนนะให้สัตว์ทั้งหลายคือพูดง่ายๆก็คือมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรนะคำว่าจเจริญเมตตานะ ไม่ใช่ท่องอย่างเดีย ว, วสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถอะแล้วก็เชื้อดคอไก่ไปเรื่อยเอย่างนั้นไว้เจริญเมตตามองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรนะเมตตาคําว่ามิตรคําว่าไมตรีนะคำว่าเมตไตรภาษียรยะเมตไตรคําเดียวกันนะ <S <S คือมีความรู้สึกที่เป็นมิตรนะงั้นเวลาฝึกเนี่ยถวาเราเป็นคนขี้โมโหแต่ของคุณไม่โมโหมากเท่าไหร่โมโหพอประมาณ อย่างถ้าพวกโมโหมากเนี่ยจเจริญเมตตาให้ศัตรูเนี่ยทำไม่ได้ต้องจเจริญเมตตาให้คนที่ชอบก่อนจเจริญเมตตาให้คนที่เรารักก่อนนะคิดถึงเขาในทางดีแต่ระวังจะไปรักเขาเท่านั้นเพราะศัตรูของเมตตานะคือราคะเวลาจเจริญเมตตาคิดถึงคนอื่นในทางบวกนะระวังจะไปหลงรักเขาเท่านั้นเลนหรือการุณาเนี่ยนะศัตรูของมันนะคือโทสะ อย่างเราเห็นคนน่าสงสารอยากช่วยเขาแนะนำเขาทำอย่างนี้อ ย, อย่าไปทำนี้เขาไม่เชื่อนะโกรธเลยเนะี่ยกรุณากระโทสาเป็นเพื่อนกันเมตตากระราคะเนี่เพื่อนกันนะแล้วคอยรู้ทันนะทีแรกก็เมตตาคนที่เราชอบก่อนนะถ้าตามสูตรเลยเมตตาตัวเองก่อนมองตัวเองเหมือนเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่น่าสงสารเหมือนกันนะเมตตามันหน่อยอย่าไปโหดร้ายกับมันนะ แล้วก็ไปเมตตาคนใกล้ตัวที่เราชอบเมตตาคนกลางๆไม่รักไม่เกลียดใค่อยฝึกเมตตาคนที่เกลียดอย่างคนนี้ศัตรูเรานะวิธีเจริญเมตตาเขานะนั้นภาษาไทยง่ายๆเลยนะัคือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะมองเขานะด้วยสายตาของเขาไม่ใช่ด้วยสายตาของเรา ทำไมเขาทำอย่างนี้เขามีเหตุผลของเขาถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขอย่างของเขาเราก็อาจจะทําอย่างเขาพอเข้าใจตัวนี้ปิ้งทีเดียวนะไม่โกรธเลยนะจะไม่มีโกรธขึ้นมาอีกแล้วเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งนะค่อยๆไปฝึกเอาหลวงพ่อคะแล้วบางทีเหมือนกับว่าเออมันเกิดปัสสาะอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมักจะนึกย้อนไปว่าเนี่ยมันกรรมมันกรรมมันกรรมอันนี้มันจริงจรมันไม่ได้ยอมรับจริงมันยังเชือด้วยโทสะอยู่ กล่อ็มือ ม, มันไม่ได้รับจริงรอ่ะมันมีการปลอบตัวเองปลอใจแล้วก็ข่มใจเอาไว้ไปสังเกตดูไปแปลว่าดูปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะหลวงพอ่อใช่ต้องคอยรู้ทันจิตนะแล้วมีจุดอื่นที่หลวงพ่อขอคําแนะนะําค่ะอจุดไหนอะ่ะหนูอยากขอคําแนะนําเพิ่มเติมว่าคนเน้นอะไรกันไหมคะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจนะคอยรู้ทันบ่อยๆ เขาคุณนะดูจิตได้ง่ายอารมณ์มันแรงมันดูง่ายาไปดูจนเห็นว้อารมณ์ทุกอย่างมาได้ก็ไปได้บังคับไม่ได้ดูในแง่ของอนัตตาบังคับไม่ได้ดูตัวนี้บ่อยๆอให้คนอื่นบ้างขอบคุณค่ะ วั<ค>นนี้จะเหนื่อยอยู่ข้ามไปก่อนก็ได้มั้งป <laughs> <laughs> ่ะเขาเล่นนั่งโยงนอกแล้วครับ อ, อดีมาสายไมก้าเข้ามาออครับ <laughs> <laughs> จะรบกวนทำหลวงพ่อว่าผมต้องปฏิบัติยังไงครับ <laughs> เพราะว่าจริงๆมีปัญหา ม, มาประมาณน่าสี่หปีแล้วครับ <laughs> เหมือนกับว่าเออพอเราเห็นอกุศลเกิดขึ้นในจิตนะครับแล้วเราเหมือนกับกลัวเป็นมโนกรรมครับเราแก้ไม่หายอาทีคือบางทีก็คือทําตามเหมือนหลวงพ่อเบาะที่สอนไว้ครับคือ รู้อย่างเดียวเลยผมก็รู้รู้แค่ละมันดับไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกในใจก็ยังรู้สึกว่ามันมันผิดผมก็วันวันก็นั่งขอขมาทั้งวันแล้วก็ยกมือทั้งวันมันก็รู้สึกแปลกๆครับเออมันก็เยอะไปนะรวบวันละครั้งก็พอแล้วไม่ต้องตลอดเวลามันเกิดตลอดเกือบเกือบตลอดมันก็แบบมีทั้งวันหรือบางทีก็เห็นนึกตาคนนั่งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วใครรู้เอาขณะที่จิตเป็นอกุศลเนี่ยก็ได้คะแนนลบไว้นะติดลบ ขณะที่เรารู้ว่ามันเป็นอกุศลเนี่ยเราได้บวกนะเพราะฉะันไม่ได้มีลบทั้งวันอย่างเดียวหรอกบวกก็มีแล้วจิตที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างใหญ่เพราะฉะังเราไม่ได้เจตนาจะด่าจิตมันด่าเองเนี่ยนะขาดเจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยเรียกกระ ต, ตากรรมเล็กน้อยแต่ตรงที่สติรู้ทันนะว่าจิตมีโทสะนีตอนนี้เป็นกุศลใหญ่นะ เว้น ไ, ได้กุศลแค่นี้กุศลแค่นี้ไปกลัวมันครับหล้วของผมนี้ต้องปฏิบัติแนวยังไงต้องฝึกให้จิตถึงฐานก่อนจิตยังไม่เข้าบ้านจิตกระจายอยู่ข้างนอกครนะพยายามกลับเข้ามาหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวแต่อย่าให้แน่นเกินไปจําได้ไหม euh, ไม่ครับหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวแต่อย่าให้แน่นเกินไปแล้วจิตยังไม่เข้าบ้าน การน้ำพระการหลวงพ่อครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นครับเออเราจะถามอะไรอะมีผมมีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่าครับทำอีกเห็นไหมธรรมะเปลี่ยนคนได้จริงๆนะสมัยสมัยพุทธกาลนะพวกเดรัจฉีบางทีบางคนจะมาคุยกับพระพุทธเจ้านะพวกอาจารย์ของเดรัจฉีจะเตือนอย่าไปคุยด้วยเลยพระสมณโคดมมีมนเปลี่ยนใจรู้จักมนเปลี่ยนใจยัน ใจเราเปลี่ยนนึกออกได้ไหมใจเราจากคนไม่เคยรู้สึกตัวก็รู้สึกทำบาปไม่เคยสะทกสะทานนะั่นนี่ทำชั่วไม่ได้เลยมันมีฮิริอตตปะเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรกิเลสอะไรเกิดขึ้นมันรู้เองอัะนะพ่อรประมาณสามสี่วันที่แล้วครับเหมือนผมฟังเทศแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่พระท่านเทศว่าพอมีผัสสะจึงมีเวทนาคือจังหวะนั้นผมเหมือนแบบ มันทำอะไรไม่ถูกแล้วมันรู้สึกเหมือนตัวเรามันไม่มีอะครับเออนั่นไม่เป็นไรแล้วเหมือนมันจะระเบิดระเบิดอะไรออกมาเออยังยังไม่ระเบิดแล้วพอมันพอพอมันรู้สึกได้ว่าจริงๆอะเราไม่มีมันมีแค่ภาษาไม่เวทนาตรงนั้นปัญญามันล้ําไปลแล้วมือนล้าไปคิดและนะมันอะไรไม่ระเบิดเหมือนกับพอมันพอมันพอมันกดกดอยู่แป๊บหนึ่งมันระเบิดมาแล้วมันกลายเป็นความสุขอืสุขสักพักหนึ่งครับอือย่างไงนะครับ เวลาปัญญาเกิดนะจิตจะมีความสุขอยู่พักหนึ่งไม่เกินเจดวันนะไม่เกินครับตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วไม่เกินเจ็ดวันหรอกครับไ้ทําอีกอย่างนี้มันคือเห็นว่ามันตอนนั้นมันรู้สึกเหมือน ร, รอบๆมันเป็นาธาตุใช่ใช่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่ตัวใช่ตนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนะแต่มันไม่ได้ทวนเข้ามาถึงจิตจิตยังเป็นตัวตนอยู่ ของอื่นไม่เป็นตัวตนแต่จิตเป็นตัวเป็นตนอยู่ก็คือยังเห็นจิต ม, มีจิตอยู่ใช่ไหมครับเออมยังติดอยู่ที่จิตยังไม่ขาดเหมือนจิตมันตอนนี้มันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นพวกเราอยู่ครับที่รู้สึกครับมันยังเป็นเราอยู่เป็นเราอย UH. ู่นะให้รู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเดี๋ยวคิดว่าได้โสดาไปนะมันยังมีสิ่งของความเป็นเราเนี่ยแฝงอยู่ที่จิตของเร า, าของอื่นไม่เป็นเราแนละ้ ในจิตเนี้มันแอบเป็นเราอยู่ซ่อนอยู่ดูออกไหมไปค่อยๆดูอย่าไปเชื่อมันกลับนักสัจการครับหลวงพ่อผมฟังซีดีมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วทีนี้ทุกคําถามก็มีคําตอบอยู่ในซีดีหมดแล้วครับอืมใช่แต่ที่ผมมาวันนี้คือผมอยากรู้ว่าที่ผมปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรื อ, อยังครับถูกสินะเห็นกลยกับใจแยกกันไหมล่ะเห็นบ้างไหมหรือเห็นความรู้สึกกระใจแยกกันไหม เห็นบางครั้งครับเออใช้ได้นะแล้วอย่างผมนี่ควรดูจิตหรือดูกายครับมีอะไรให้ดูด่วนนั้นครับครับคือการปฏิบัติสายกายสายจิตอะไรเนี่ยมันเป็นแค่จุดตั้งต้นตอนฝึกให้มีสติเท่านั้นแหละแต่ตอนที่สติเกิดแล้วไม่มีสายอีกต่อไปแล้วถึงขั้นวิปัสนาไม่มีสายแล้วเพราะอะไรสติบางทีรู้กายสติบางทีรู้เวทนาบางทีรู้จิตบางทีรู้นู่นรู้นี่ เราเลือกไม่ได้สติมันทำงานเองมันเป็นอนัตตานะงั้นมันไม่มีสายหรอกถึงจุดนั้นแล้วสายอะไร ต, อ, ไรนะตอน ห, หัดฝึกให้เกิดสติเท่านั้นเองใจหนีไปคิดทราบไหมตอนหนีไปคิดต้องไม่ทราบนะนะอย่าให้แน่นเกินไปในมันสการค่ะหลวงพ่อลองไปดูสิมันมีเราคิดนะเห็นยัง เออต้องอย่างนั้นสิไม่จะผ่านไม่ได้นะมันเห็นทุกอย่างแล้วนะว่างเปล่าไม่ใช่ตัวใช่ต้อมันมีติ่งของความเป็นเราซ่อนอยู่ในใจนะนัเราไม่กล้าแตะมันก็เลยดูเหมือนไม่มีนะพอเรากล้าหานเข้าไปเจอเจ อ, อยังอยู่อีกนะแต่ว่าฝึกมาได้อย่างนี้เก่งแล้วนะดีภาวนาช่วงที่ผ่านมามันสังเกตว่า ปกติจะพอดูได้บ้างสภาวะค่ะเ อ, อะจะไม่มีอารมณ์แบบว่าโกรธหูหวานหรือว่าเศร้าหมองมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีเหมือนหนึ่งวันในหนึ่งเดือนที่มีความรู้สึกว่าจิตมันตกแล้วก็เศร้าหมองอนะจิตตก<อ>เศร้าหมองมากแบบว่าฟุงา้งซ่านคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนควบคุมความรู้สึกให้มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อะคะ่ะแล้วจะทําไงอ่ะ ก็จิตมันเป็นอนัตตาเวลาเราภาวนานะบางช่วงจิตเจริญบางช่วงจิตเสื่อมห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เราภาวนาไปเรื่อยเราก็เห็นเจริญได้ก็เสื่อมได้สุดท้ายจิตยอมรับความจริงตรงนี้นะถึงจะได้ธรรมะธรรมะเป็นตัวความจริงความจริงก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนั่นแหละเจริญได้ก็เสื่อมได้เป็นเรื่องปกติ หูภาวนาไม่ค่อยเห็นสภาวะเท่าไหร่ดูร่างกายเยอะๆหน่อยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกล่างกายเคลื่อไหวรู้สึกแทรความรู้สึกตัวมันเข้มกว่านี้นิดนึงนะความรู้สึกตัวมันจางไปอย่าไปดูจิตดูกายเป็นหลักไว้<ะ>ถ้าดูจิตนะมันจะละเอียดเกินละเอียดยิ่งเบลอๆไปดูไม่ออกนะกายเป็นของหยาบดูง่ายดูไปก่อนนะพอมีแรงแนละ้วมันจะเข้ามาดูจิตได้นะ หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะใช่ไนั้นหลวงปู่ยังอยู่บอกหลว ง, งปู่ครับผมไปวัดครูบาจารย์อื่นๆนะท่านสอนแต่ดูกายพุทโธพิยนา ก, กายผมต้องไปดูกายอีกไหมหลวงปู่หันมามองหน้าด้วยความสังเวชนะแล้วเสด็สอนบอกว่าที่เขาดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วเนะี่ยกายเป็นของทิ้ง ง่ายมากเลยไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราดูจิตไม่เห็นดู ก, กายไปก่อนแล้วพักเดียวพอจิตมีแรงนะจะไปเห็นจิตกาเป็นมันสกาหลวงพ่อค่ะฟุ้งซ่านเก่งไหมคนนี้เก่งมากค่ะเก่งมากน ะ, ค, ะคนฟุ้งซ่านเก่งมากนะต้องมีอารมณ์กรรมฐานนะจะอยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้ว หรือจิตมันอยากพูดเคยเห็นไม่จิตมันอยากพูดให้รู้ทันมันคือบางทีรู้รู้คือบางทีรู้ทันแต่ก็พักไว้แล้วก็ยังพูดอยู่เอออย่าไปยอมแพ้มันนะให้รู้ทันมันสุดท้ายพอความอยากพูดมันดับไปแล้วเนี่ยสมควรพูดก็พูดไม่สมควรพูดไม่คุยสบายใจทุกคราวที่พูดนะจะเสียพลังงานของจิตนะ ตอนฟังทีดีก็เคยได้ยินคำนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็พยายามนึกคือถ้าบางทีนึกได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นึกก็นึกไหวหน่อยก็แล้ว ก, กันค่ ะ, คะขอบคุณค่ะ <Yeah. S 2> กลาวนามศึ ก, การหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยถูกถูกต้อง ถ, ถูกทางไหมคะืะไหมคะก็ดีนะแต่ว่าเวลาเราภาวนาเรารู้อารมณ์กรรมฐานอะไรเราอย่าไปประคองจิตเอาไว้ okay? นะ จะไปปกครองจิตจะไปรักษาจิตให้มันนิ่งๆสงบสงบอยู่นะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วตามรู้ตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปดูไปอย่างสบายใจนะถูกต้องแล้วใช่ไหมคะที่ทํานี่ปฏิบัตินี่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไหมไม่ค่อยเห็นจิตอะค่ะเห็นกายเห็นกายนะเวลาเห็นกายนะเห็นสบายสบายไหมหรือใจใจแข็งแข็ง อ๋อก็ไม่ไม่ค่อยแข็งก็ดูไปเรื่อยๆเออถ้าใจเรามีความทื่อๆซ่อนอยู่แม้แต่นิดเดียวนะก็แสดงว่าแอบเพ่งไว้ <Okay. S 2> ปัญญาแท้ๆจะไม่เกิดะเนั้นเราสังเกต น, นะถ้าเรารู้ไปอย่างสบายๆร่างกายเนี่ยดูไม่มีน้ำหนักเลยร่างกายจะดูเหมือนไม่มีน้ำหนักนะอะไรๆก็ดูไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเราเพ่งนะมันจะดูแน่นๆหนักๆร่างกายก็ดูแข็งๆนะ ดูไปให้สบายเห็นร่างกายทำงานไปสบายๆนะใจเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกค่อยๆดูอย่างนั้นหลพ่อคะแล้วจิตจิตนี่พอจะถึงฐานจิตถึงฐานต้องไม่ไปเพ่งไว้ถ้าท่านอย่างแน่นๆอยู่ก็เรียกว่าเรายัางบังคับอยู่ถึงด้วยการบังคับอยูนะ่ต้องถึงที่เป็นธรรมชาติจิตจะเบาอ่ อ, อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไว มีกันบ้านไหมคะหลวงพ่อไปภานาให้สบายใจนะเอาให้สบายสบายดูร่างกายนี้เหมือนเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆจำประโยคนี้ไว้นะดูร่างกายนี้เหมือนเราดูคนอื่นเหมือนเราเห็นคนอื่นมันเคลื่อนไหวขอบพระคุณค่ะถ้าเราดูกายเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวใจมันจะถอยออกมาเป็นแค่คนดูเองนมัสการหลวงพ่อค่ะ เมื่อชักสมานสัปดาห์นี้ได้มีโอกาสไปปฏิบัติแล้วเราความที่เราเป็นคนที่อ่อนการปฏิบัติก็พยายามตามดูกายดูใจอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอถึงเวลากลางคืนเนี่ยมันเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจไปคิดเนี่ยตลอดเลย จนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราอยากหลับแต่เราไม่หลับมไม่ได้เพราะจิตมันตื่นเอ้ใครๆเขาก็อยากจะให้จิตตื่นนะอยากหลับไอ้อยากหลับเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวก็หลับก็เป็นเป็นชั่วโมงอะคะ่ะก็หลับไม่ได้ก็รู้สึกว่ามไม่เอาแล้วไม่อยากตามดูตามรูคื อ, อจิตเนี่ยเป็นอนัตตาเพรเราฝึกสติมากมากนะมันอัตโนมัติมันรู้สึกทั้งวันรู้สึกทั้งคืนนะบางทีร่างกายหลับไปแล้วนะจิตยังรู้สึกตัวอยู่เลยเหมือนกับไม่หลับเราไม่คุ้นหราคิดว่าไม่หลับ บางทีร่างกายหลับไปแล้วหรือบางทีสติเราดีมากเลยมันเหมือนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนเลยนะ <c oughs> ถ้าต้องการพักตรงนี้ยจะพักด้วยสมถะกรรมาฐาน <c oughs> นะเ <c oughs> ช่นเราก็สังเกตไหมว่า <c oughs> พอหลับตาลงไปถ้าจิตเราเดินมาถึงตรงนี้พอหลับตาลงไปมันจะสว่างจะว่างๆเราเอาจิตเราจับเข้ากับความว่างความสว่างแล้วพักอยู่ที่นั่นเลย <c oughs> นะเราพักกันในฌานอย่างนี้ <c oughs> ถ้าอย่างงั้นก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็ปล่อยให้เข้ารู้ตัวรู้กายรู้ใจไปแล้วก็แอบไปพักบ้างเราฝึกจนมันอัตโนมัติได้ก็บุญเราหนาทําไมจะให้มันหายไปล่ะคือความรู้สึกว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามันเป็นกังวลว่าถ้าเราไม่ได้หลับแล้วพรุ่งนี้เราจะปลาโลมายังไม่นอนเลยค่ะพรคุณค่ะหลวก็เคยรู้จักครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงปู่เปลื้อง อยู่พัทธลุงตอนนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไม่นอนมาตั้ง13ปีแล้วแข็งแรงบอกท่านนอนแล้วไม่ค่อยสบายไม่เคยหลับเลยสิกว่าปีตอนท่านแก่มากๆเจอลูกศิษย์ท่านไม่นอนตั้ง20กว่าปี30ปีไม่เห็นท่านเป็นไรเลยเราติดกับคำว่านอนอะ่ะนะเพราะเรากลัวว่าถ้านอนไม่หลับเดี๋ยวทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยนะเั้ น, ะ น, น ร่างกายมันได้พักอยู่แล้วมันไม่ได้ทําอะไรมันนอนอยู่ใช่ไหมจิตเราเนีมัวแต่กังวลมาเลยไม่ได้พักเพราะเราให้จิตเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขนะจิตจะได้พักอยู่ในสมาธินะวิเศษยิ่งกว่าหลับอีกจิตที่ทรงสมาธิอยู่สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะแทนการนอนได้ทั้งคืนเลยครันามัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ วันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกของหนูจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสามเดือนนะคะหลวงพ่อเห็นหน้านช่นะหลวงพ่อรู้นะว่าใครฟังซีดีหรือไม่ฟังอย่างไปต่างจังหวัดนะไปแวะตามปั๊มน้ำมันตามอะไรนะในร้านอาหารข้างทางอนะไรเห็นคนเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าลูกศิษย์ใคร <c oughs> <c oughs> พราจิตมันจะตื่น มีอยู่วันหนึ่งหนูเดินลงจากรถไฟฟ้าแล้วหนูเห็นดวงแสงสว่างจากข้างในแล้วเห็นกายมันเป็นเปลือกอหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นแสงโอภาสหรือว่ามันเป็นจิตไม่ใช่โอภาสไม่ใช่จิตด อ, อกเป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นนิมิตใช่ไหมคะแล้วมันมีความสุขมากะะเราไปติดมันอยู่วันหนึ่งแต่พอเสร็จเราก็รู้ตัวว่าออโอ้ยไปติดมันใช่มันเป็นนิมิตนะหลวงพ่อก็เคยเป็นนะ เลยตอบได้ฉะฉานแล้วหนูควรเนืน้อทอย่างที่ทํานี่แหละทําถูกแล้วนะสงสัยอะไรก็เอาซีดีหลวงพ่อไปยกมือไหว้ทีนึงแล้วก็เปิดเอา <c oughs> มีทุกคําตอบอ้าคุณค่ะแล้วหนูควรจะเพิ่มตัวไหนที่เพิ่ ม, มขึ้นไหมคะสำรวจตัวเองสิศีลเราสมบูรณ์อย่างนจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากพอไหม เราแยกธาตุแยกขันได้บ่อยไหมค่อยๆพัฒนาไปากุศลอะไรยังไม่ละก็ละเสียกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญก็เจริญไปวันหนึ่งมันก็ถึงฝัน<า>ที่ทำอยู่นะดีแล้วละ่ะขอบคุณค่ะกาพตมาสการหลวงพ่อคะ่ะจะกราบขอการบ้านนะคะไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือเปล่าถูกนะต้องไปทาอีกดูใจกิเลสตัวไหนเกิดบ่อย ระหว่างราคาโทสะโมหะตัวไหนเกิดบ่อยราคาตัวไหนเกิดบ่อยรู้มันบ่อยๆนะให้รู้ทันกิเลสไปเรื่อยใจก็จะสูงประณีเที่ยนไปเรื่อยให้กิเลสนี่แหละเป็นตัวกดท่วงจิตใจเราให้ตกต่านะไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้คอยรู้ไปเรื่อยอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปเกลียดมันแค่ตามดูตามดูเฉยๆแค่ตามดูดูเหมือนเห็นคนอื่นนะสมมติว่ามันโกรธขึ้นมาเห็นเหมือนคนอื่นโกรธนะเราเป็นแค่คนดู ฝึกอย่างนั้นไปทำอีกนะ ก, ก็ดีเหมือนกันนะใช้ได้แต่หนูต้องระวังอันหนึ่งเรื่องจิตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านมันชำนานมากเลยเรื่องนี้นะงั้นถ้าทำในรูปแบบได้จะดี<ม>เวลาทำในรูปแบบเราจะอยู่กับพุทธโธลมหายใจอะไรได้แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตจะได้มีพลังนะของหนูมันยังฟุ้งเก่งไปหน่อยนึง ในมัจจการหลวงพ่อค่ะคือจะมาถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้หนูได้ปฏิบัติถูกต้องอยู่ในทางแล้วครือเป่าะไม่ถามเหมือนกันหมดเลยอ่ะลอกคําถามกันหรือเปล่าฮ <c oughs> ถ้าปฏิบัตินะก็ถูกแหละ <c oughs> นะถูกไม่ถูกเราดูตัวนี้สิ <c oughs> อากูศนที่เคยมีอ่ะนะมันลดลงไหมนะ <c oughs> กูศนจเจริญขึ้นไหมนะเราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติกันด้วยตัวนี้แหละด้วยกูศนและอากูศนนี่แหละ รู้ทันกิเลสบ่อยไหมเนี่ยถ้ารู้<ฆ>ทันกิเลสได้บ่อยใช่<ฆ>ไหมอกุศลก็เสื่อมไปกุศลก็จเจริญขึ้นก็ถือว่าถูกล้ค่ะีนี้หนูขอยัองถามพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีตรวจสอบตนเองยังไงคะว่าได้ปฏิบัติถูกแล้วก็ตรงทางแล้วคะ่ะสังเกตจิตให้ความสังเกตเอานะจิตเราไปติดไปข้องอะไรอยู่หรือเปล่าเราก็ค่อยรู้เอานะแล้วก็ดูการทํางานของกายของใจโดยแบบคนมองนอกไปเรื่อยๆ เกิดอะไรขึ้นอย่าไปเชื่อมันดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอย่งั้นอย่าไปเชื่อมันง่ายๆนะส่วนมากเวลาพลาดเนี่ยมันจะมีพลาด2ลักษณะอันหนึ่งถ้าจิตทําสมถะอยู่นะมันจะเกิดนิมิตควนิมิตเกิดขึ้นแล้วเราไปหลงว่าเป็นของจริงอะไรเงี้ยก็พลาดเนี่ยจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่พลาดคือขณะที่ทําวิปัสสนาอยู่แล้วสมาธิไม่พอนะจิตเคลื่อนออกไปเกิดวิปัสโนปกิเลสเราคิดว่าบรรลุโน้นบรรลุนี่นะ อันนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีจิตมันไม่เข้าฐานจิตไม่ถึงฐานจริงๆแลงพจิตเข้ากลับเข้าฐานเข้าบ้านได้จริ ง, รงนะหายหมดเลยอาการที่วิปลาสทั้งหลายไม่ต้องกลัวมันหรอกทําไปเถ อ, อ ค, ค่ะก า, การธรรมสการหลวงพ่อคะ่ะขอญาตขอโอกาสคะ่ะ เ, เมื่อประมาณ5ปีเคยส่งที่ส่งการบ้านที่ส่วนสันติธรรมคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าให้กลับมาทําต่อ แล้วก็กลับมาทำต่อแล้วค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าจิตมันกดๆอยู่ใช่จิตต้องเป็นธรรมดานะอันนี้มันไม่ธรรมดาไปขมไว้ค่ะให้รู้อย่างที่เขาเป็นค่ะแต่บางทีเหมือนสังเกตดูเวลาจิตฟุง้งซ่านนะถ้าจิตฟุง้งซ่านให้รู้ทันว่าฟุงา้งซ่านนะฟุ้งเก่งไหมเก่งค่ะนะไปดูตัวนั้นนะ่ะมันมีบ่อย ในระหว่างวันนะค ะ, ะลูกใช้คําบริกรรมะคะ่ะไม่ให้มันไปแล้วเวลามันไหลก็จะไปขมมันอ๋อแต่ลูกยังติดขมใช่ไหมคะมแต่ว่าเอาแค่ว่ามันไหลเรารู้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไหลเจ้าค่ะไปปรับตัวนี้นะถ้าไม่ให้ไหลเนี่ยตึงเกินไปถ้าไหลไปเลยเนี่ยหย่อนเกินไปถ้าไหลเรารู้เนี่ยทางสายกลางเจ้าค่ะแล้วลูกทําในรูปแบบทุกวันแปลว่าทุกวันนี้ทําเนี่ยมันกดขม่มด้วยมันข่มแรงไป คืออ ย, อย่าไปตั้งเป้าว่าห้ามไหลนะให้ตั้งเป้าใหม่ว่าไหลแล้วจะรู้ไวๆแปลว่าบางทีที่รู้สึกตัวนะั่นแปลว่าคิดขแข็งเกินไปคิดรู้สึกตัวจริงนะแต่รู้สึกตัวมันมีสองอันหนึ่งรู้สึกตัวถูกต้องเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนหนึ่งรู้สึกตัวไปแข็งเกินไปใช่จะหนักๆงั้นหนูไปปรับนิดเดียวนะอย่าไปบังคับจิต แค่ว่าจิตเคลื่อนไปแล้วก็รู้เอาจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ตายเป็นยังไงรู้เอาไม่บังคับเอานะเราไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบแต่ฝึกเจนเห็นความจริงว่ามันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ค่ะหลวงพ่ออย่างบางครั้งมันมันเห็นเหมือนเหมือนยันควายอินความอยากแล้วมันก็ตัดไปมันเหมือนเห็นเห็นเห็นอย่างเงี้ยถ้ามันตัดเองใช้ได้นะแต่ถ้าถ้าถ้ามันตัดเองเนี้ยใจจะโปร่งโล่งเบาเลย ถ้าเราไปข่มมันใจจะหนักแต่ของลูกนี้เป็นการข่มใช่ไหมคะไปใส่เกรเอาซิเ <c oughs> จ้าค่ะมีหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะก็อย่าไปบังคับจิตเท่ากันให้รู้ทันจิตขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะเ <c oughs> ชิญขอให้คุณย่าเป็นตัวแทนนะคะออของที่ท่านนำมาถวายหลวงพ่อเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะตอนนี้ก็ให้พวกเราน้อมจิตนะคะร่วมกัน ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยธรรมแก่พระอาจารย์ปราโมทปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเพื่อความสิ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกันลนานเถอดยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคารังเอวามวาอิตโตทินงังเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังขิปเมวาสมิจตุ สเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติระโสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจยยนจังวุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง หลวงพ่ออนุโมทนากับอริยะเจนะทีมงานทุกทุกท่านนะจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาฟังทำนะ